เท่าที่กล่าวมาค่อนข้างจะยืดยาวนี้ก็เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องความว่างคําเดียวความว่างจากกิเลสก็คือว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูแล้วว่างจากความทุกข์นั้นมันแน่นอนเพราะเมื่อว่างจากกิเลสแล้วก็ว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวกูของกูอย่างเดียวนั้นจะว่างหมดจากทุกสิ่งและสภาพอันนี้เป็นนิโรธธาต์ ไม่ใช่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมไม่ใช่อากินจัญญายตนะไม่ใช่อากาศานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะอะไรเยอะแยะล้วนละแต่พระพุทธเจ้าท่านปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ทั้งนั้นมันมีแต่นิโรธาธาตุเป็นความว่างจากตัวกูของกูเป็นที่ดับแห่งกรรมเป็นที่ดับแห่งกิเลสเป็นที่ดับแห่งความทุกข์ ข้อสุดท้ายที่เราจะต้องนึกก็คือว่าสิ่งนี้เป็นของที่เนื่องกันอยู่กับทุกสิ่งดังได้กล่าวมาแล้วข้างตน้นอย่าลืมเส้อว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรนอกจากธรรมะธรรมะก็ไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติธรรมดาหรือความที่มันเป็นเช่นนั้นเองเป็นต า, ตาเพราะฉะนั้นมันจึงว่างจากตัวตนของตนอยู่แล้ว แต่ธรรมะประเภทโ ง, ง่ประเภทหลงประเภทอวิชามันคอยโผล่ขึ้นมาเรื่อยเพราะการเป็นอยู่หรือชีวิตประจำวันหรือวัฒนธรรมของเราสมัยนี้มันให้โอกาสแก่ธรรมฝ่ายตัวกูฝ่ายของกูคือฝ่ายอาวิชาไม่ให้โอกาสแก่ฝ่ายวิชาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องถูกลงโทษด้วยออริจินอลสินคือบาปดั้งเดิมของเรา ที่พอเกิดมาแล้วก็มีแต่จะหลงไปในทางออโตโนมีนี่เรื่อยไปไม่เข็ดหลบับแม้เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังไม่รู้สึกเป็นกลางคนแล้วก็ยังไม่รู้สึกเป็นคนแก่คนเท่าแล้วก็ยังไม่รู้สึกก็มีถ้าอย่างไรก็ควรที่จะรู้สึกในเมื่อกลางคนหรือเมื่อยามแก่เท่าจะได้พ้นโทษจะได้ออกจากโรงขังแห่งวัฏฏสงสารจะได้รับอิสรภาพ สูตรที่โล่งที่แจ้งที่ไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรจํากัดเมื่อพุทธศาสนาแผ่ไปถึงเมืองจีนคนจีนสมัยโบราณเขามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรับเอาได้เกิดวรรณกรรมอย่างของเว่ยหลังหรือของหวงโปขึ้นมาอธิบายเรื่องจิตเรื่องธรรมะเรื่องพุทธะเรื่องหนทางเรื่องความว่างให้เข้าใจกันได้ด้วยถ้อยคาเพียงไม่กี่คา คือโผล่ขึ้นมาประโยคแรกก็ชี้ว่าจิตก็ดีธรรมะก็ดีพุทธะก็ดีหนทางก็ดีความว่างก็ดีคือสิ่งเดียวกันมันเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วประโยคเพียงเท่านี้พอแล้วมันเท่ากับพระไตรปิฎกทั้งหมดได้เหมือนกันแต่มันไม่อาจเข้าใจเลยก็ได้ยิ่งพวกเราที่ศึกษาปฏิบัติกันอยู่ในแบบนี้แล้ว ไม่มีทางที่จะเข้าใจประโยคนี้ได้เลยควรที่จะละอายมีอิริอดตะปะในเรื่องนี้กันเสบ้างมันจะได้ดีเร็วๆและยิ่งกว่านั้นพุทธบริษัทเมืองจีนยังพูดก้าวไปถึงว่าความว่างนี้มันเป็นอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเองอัตมาอาจจะพิสูจน์ได้เหมือนกับที่พูดอยู่แล้วอยู่เล่า ว, ว่า ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่มีจิตว่างอยู่เองแล้วในขณะนี้แต่ก็หามองเห็นไม่และไม่ยอมรับว่านี้เป็นความว่างซีดยซ้ําไปนี่แหละฮวงโปจึงด่าว่าคนพวกนี้เหมือนกับคนที่เพชรติดอยู่ที่หน้าผากแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เที่ยววิ่งหาไปรอบๆโลกหรือบางทีก็นอกโลกไปหาที่เมืองนือโกเมืองสวรรค์เมืองพรหมโลกเมืองอะไรต่ออะไร หารอบๆโลกมนุษย์เนี่ยยังไม่พอยังไปเที่ยวหาเสี้ยหลายโลกทำบุญสักหมื่นบาทแล้วก็จะได้ไปสวรรค์ก็จะไปพบอะไรที่ต้องการอย่างนี้เรียกว่าไม่ดูของที่ตั้งอยู่แล้วที่น้าากแล้วก็จะไปหาที่รอบรอบโลกหรือโลกอื่นๆไปอีกเพราะฉะนั้นขอให้ดูให้ดีสักหน่อยเท่านั้นว่ามันอยู่ที่น้าผากแล้วอย่างไรและมีวิธี ที่จะความพบสิ่งที่อยู่ที่หน้าผากแล้วได้อย่างไรพอพูดเรื่องวิธีคลําให้พบเขาก็พูดอย่างเหนือเมฆหรืออะไรทำนองนั้นยิ่งขึ้นไปอีกว่าไม่ต้องทําอะไรคืออยู่นิ่งๆไม่ต้องทําอะไรแล้วมันก็จะว่างอยู่เองคําว่าอยู่นิ่งๆไม่ต้องทําอะไรนี้มันมีความหมายมากอยู่ คือว่าเราเป็นสุขสนเรามันสปปรรพดนเที่ยวรับเอาอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้ามารับเข้ามาแล้วยังโง่พอที่จะเปิดโอกาสให้ธรรมะฝ่ายอาวิชชานั้นขึ้นนั่งแทนบัญชางานเสียเรื่อยมันจึงเป็นไปแต่ในทางยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเรียกว่าสนไม่อยู่นิ่งๆถ้าอยู่นิ่งๆก็หมายความว่า ไม่รับเอ า, อารมณ์ ม, มาหรือว่าอารมณ์มากระทบก็ให้มันตายด้านเหมือนคลื่นกระทบฟังเมื่อตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเป็นต้นนี้เรียกว่าไม่รับเข้ามาหรือว่าทําอย่างนั้นไม่ได้มันเลยไปเป็นเวทนาคือพอใจหรือไม่พอใจเสียแล้วก็ให้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นอย่าได้อยากต่อไปอีกตามความพอใจหรือตามความไม่พอใจ อย่างนี้ก็พอที่จะให้อภัยว่ายัางอยู่นิ่งๆอยู่ได้เรื่องมันจะได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นถ้าพอใจแล้วทําอะไรต่อไปยืดยาวเดี๋ยวตัวกูของกูก็โผล่มาหรือว่าถ้าไม่พอใจแล้วก็ทําอะไรไปตามความไม่พอใจมันก็เป็นตัวกูของกูโผล่ออกมามันก็วุ่นไปหมดและเป็นความทุกข์นี้เรียกว่า ไม่อยู่นิ่งๆคำว่าอยู่นิ่งๆของเวยหลงังหรือ่วงโปก็ตามนั้นได้แก่การปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยความไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรานั่นเองอยู่นิ่งๆคำนี้มันมีความหมายอันเดียวอย่างเดียวกับประโยคที่ว่าสัพเพธรมานาลัง พินิเวสายะนั่นเองเพราะว่าถ้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วทุระอะไรจะไปยุ่งหรือเข้าไปวุ่นหรือวิ่งเข้าไปที่สิ่งเหล่านั้นให้มันวุ่นทำไมไม่อยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นคำว่าอยู่นิ่งๆจึงมีความหมายอย่างนี้เราจงดูให้เห็นความว่างที่พึงประสงค์ การที่กล่าวว่ามีความว่างชนิดที่ก่อให้เกิดความหยุดหรือความสะอาดความสว่างความสงบอะไรก็ตามนี้ยังพูดอย่างสมมุติเพราะว่าถ้าพูดอย่างความจริงหรือพูดอย่างถูกต้องแล้วมันไม่มีอะไรนอกจากความว่างเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นแล้วความว่างนั้นมันไม่ก่อให้เกิดอะไรเพราะว่าความว่างนั้นมันเป็นตัวธรรมะตัวพุท ธ, ธะ ตัวสังขะตัวหนทางตัวสะอาดตัวสว่างตัวสงบอะไรหมดอยู่ที่ตัวความว่างนั้นถ้ายังพูดว่าความว่างเป็นเหตุให้เกิดนั่นเกิดนี่แล้วก็แปลว่าเรายังไม่รู้ถึงที่สุดยังไม่ใช่ว่างถึงที่สุดเพราะถ้าว่างถึงที่สุดแล้วมันไม่ต้องทำอะไรอยู่นิ่งๆมันก็เป็นพุทธะธรรมะสังขะ สะอาดสว่างสงบนิพพานอะไรในตัวนั่นเองในตัวที่ไม่ปรุงแต่งให้เป็นอะไรขึ้นมานั่นเองเมื่อจะสอนคนเขาๆโดยวิธีที่ง่ายที่สุดให้รู้จักสังเกตความว่างนั้นฮวงโปได้ให้ปริศนาวิอันหนึ่งว่าให้ดูที่จิตของเด็กก่อนที่จะปฏิสนธิอัตมาก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ให้ปหาดู จิตของเด็กที่ก่อนจะมาปฏิสนธิในคันนั้นมันอยู่ที่ไหนถ้าหาอันนี้พบแล้วจะหาความว่างพบง่ายๆเหมือนกับความพบของที่มีอยู่ที่หน้าผากแล้วขอสรุปว่าเรื่องความว่างนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นคือเรื่องทั้งหมดของพุทธศาสนาอาจกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหายใจเข้าออกอยู่ด้วยความว่าง หรือว่ามันเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนาเป็นความรู้เป็นการปฏิบัติเป็นผลของการปฏิบัติถ้าเรียนก็ต้องเรียนเรื่องนี้ปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่ออันนี้ได้ผลมาต้องเป็นอันนี้แล้วในที่สุดเราก็จะได้สิ่งที่ควรจะได้ที่สุดไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าเมื่อเข้าถึงความว่างได้นั้นมันก็หมดปัญหา มันไม่ใช่อยู่ข้างบนหรือไม่ใช่อยู่ข้างล่างหรือมันไม่ใช่อยู่ที่ไหนมันไม่รู้จะพูดอย่างไรควรหูปากมากกว่าแต่เราก็ยังต้องพูดว่าเป็นสุขที่สุดอยู่นั่นเองต้องระวังให้ดีเรื่องนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งกับนิพพานคือว่างอย่างยิ่งนั้นจะต้องจับความหมายที่ถูกต้องอย่าเอาความสุขตามความหมายที่เคยชินกันมาก่อน เหมือนกับพวกก่อนพุทธกาลโน้นพล่ไปเอาความสมบูรณ์ถึงที่สุดทางกรรมรมมาเป็นนิพพานก็เคยมีไปเอาความสุขท้งฝ่ายรูปความสุขจากรูปปสมาบัติเป็นนิพพานมาแล้วก็มีพระพุทธเจ้าท่านต้องการที่ออกมาเสียคือเอาเนคขมาธาตุเป็นเครื่องมือออกมาจากกรรมเอาเอารูปธปาตุเป็นเครื่องมือออกมาจากความหลงไหลในรูปปสมาบัต และในที่สุดก็เอานิโรธทธาตุเป็นเครื่องออกมาเสียจากสังคตะคือความวุ่นวายนาณาชนิดมาสู่ความว่างท่านจะเข้าใจได้หรือไม่จะปฏิบัติได้หรือไม่ยอมเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายเองอาตมามีหน้าที่แต่จะกล่าวไปตามที่มันมีอยู่อย่างไรการรู้และการเข้าใจและการปฏิบัติยอมตกเป็นของท่านทั้งหลาย อาตมาคอยุติการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้